มีศีลกับธุศีลอะไรสําคัญที่สุดเพราะนั้นบ่งบอกว่าเรากําลังสร้างใช่ไหมสร้างว่าตัวกระแสชีวิตของเราจะเป็นทายาทของการกระทํากรรมโยนีโยนีเนี่ยก็แปลว่าเหตุโยนีศัพท์นั้นอนะโยนีศัพท์เนี่ยแปลว่าเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข์กรมมะ เมวะโยนีเอเตสันติกรรมโยนีกรรมนั่นเองเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากรรมโยนีนนกรรมเนี่ยถ้ากุศลกรรมนี่เป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์ฮะถ้าอกุศลกรรมนี่เป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์เห็นไหมเนี่ยเราจะ เ, เริ่มเห็นชัดแล้วฉะนั้นเรามีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นเหตุ ลราเรียกว่ากรรมเนือ้อกรรมเนื้อศัพท์นั้นก็คือเหตุฉะนั้นที่เราได้สุขและไล่ทุกทุกวันนี้เพราะกรรมนั่นแหละเพราะการกระทํานั่นแหล ะ, ะ, ท, หละทั้งการกระทําในปัจจุบันด้วยและการกระทําในอดีตที่ผ่านมารวนแต่เป็นเหตุให้ได้สุขและทุกเท่านะกรรมพันธูแปลว่าอะไรเนี่ยกรรมนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องเพื่อนปูงเนาะ ของสัตว์เราใดมีอยู่พระเหยนนั้นสัตว์อนั้นจังที่ว่ากรรมวิพันธเออุเรานึกว่าเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีพวกพ้องบางทีแล้วก็บอกว่านี่คุณไม่ต้องกลัวนะเราเป็นเพื่อนคนเสมอแล้วก็จะเป็นเพื่อนตลอดไปเชื่อได้ไหมไม่ได้หรอก จับมือกันให้มั่นก็มกีสองสามีภรรยาก็ก็ไปจับมือกันนี่นะเราจะเป็นเพื่อนกันอยู่กันจนถือไม่เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรเขาก็บอกตีกันซะแล <c oughs> ะใช่มเขาก็บ้องตีสรุปแล้วคืออะไรเนี่ยแท้ที่จริงใช่พวกพ้องที่แท้จริงไหม ชั่วคราวก็ก้าบอกเขาไหมว่าคุณไม่ใช่พวกพ้องที่แท้จริงเพราะใครคือพวกพ้องที่แท้จริงสุจริตกรรมกับทุจริตกรรมเอาแล้วเราเคยทําทุจริตกรรมมาหรือยัง เ, เ, เคย ท, ทําสุจริตกรรมมาแล้วหรือยังแล้วตอนนี้เราจะทําสุดเจริตกรรมหรือทุจริตกรรมให้เป็นพวกเราในอนาคต เราต้องการไม่ต้องการเบียดเบียนตัวเองเนาะนี่เข้าใจยังว่ากรร ม, มะพันธุใช่ไมเผ่าพันธุ์นะ่ะพวกพ้องอะ่ะญาติพี่น้องอะ่ะฉะนั้นสรุปแล้วแต่ก่อนเราคิดหวังพึ่งญาติพึ่งพี่พึ่งน้องใช่ไหมพึ่งลกูกพึ่งหลานพึ่งซับ สิ่งเหล่านี้ชั่วคราวเกลี้ยงหมดเลยน่าเชื่อใจอย่างถ้าเราคนอยู่คนเดียวเออคนอยู่คนเดียวเนี่ยต้องภูมิใจเพราะเราจะมีสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมถ้าทุตจริตกรรมมาเป็นพวกตอนนั้นก็เดือดร้อนหน่อยใช่ไหมถ้าสุจริตกรรมมาเป็นพวกพ้องตอนนั้นก็มีความสุขพี่นะสรุปแล้วเล่นกับสุจริตกรรมและทุตจริตกรรมเนี่ย ปลอดภัยไหมสุดเจริญกรรมมีโอกาสปลอดภัยที่จะเดินขึ้นสู่ระดับสูงได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทําสุดเจริญกรรมระดับสูงได้ก็ทําสรุปสุดเจริญกรรมระดับกุศลกรรมร บ, บทให้ได้ดงั้นตรงนี้เราเริ่มจะพิจารณาแล้วจะเห็นอะไรเนี่ยมองไปหน้าที่ไหนแต่ก่อนเราเนึกว่าเรามีพวก แต่ก่อนนึกว่าเรามีลูกแต่ก่อนนึกว่าเรามีทรัพย์ใช่ไมเป็นจารณาเป็นที่พึ่งตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าแค่ครบเดียวและบางคราวครบเดียวก็ยังไม่ทันพึ่งกันได้ไปซะแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจคําสอนอย่างนี้ก็ตอนนี้จะแข็งแรงไหมความคิดความคิดจะแข็งแรงแต่พระศ า, าสดาเป็นจารณาได้ไหม เอาละสิแต่เนี้ยเห่นไหมทำไมพ ร, ระบรมาศาสดาจึงเป็นสาลาไนดะ้กรร ม, มปฏิสาลาเนี่ยบางทีเราเรียกเทวดาเป็นปฏิสารณะบ้างวิษณุเทพเป็นปฏิสาลาบ้างไนหะหรือผู้ที่มีพระัตนาตายเป็นสารลาก็เรียกว่ามีพระรัตนาตายเป็นปฏิสารณะประเด็นอยู่ตรงไหนวิษณุเทพเอ๋ย ชมทั้งหลายเป็นต้นเลยเนี่ยชื่อว่าปฏิสนธิเพราะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายความจริงแล้วไม่ควรไปเรียกว่าวิษณุเทพก็ดีต่างๆเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่สุดจริญกรรมและทุจริญกรรมนี่แหละที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะสามารถติดไปตามได้ทุกพทุกชาติมื่อที่นี้ในโลกนี้ชนทั้งหลายก็ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็น สารณะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเช่นนี้เป็นไปเพื่อให้ได้อะไรให้ได้บุญกรรมและให้ได้ปัญญากรรมความจริงแล้วบุญกรรมและปัญญากรรมที่เกิดจากการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะเป็นที่พึ่งของเขานั่นเองจึงเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเขาะ้าใจยังกุศลและปัญญาทั้งหลายเป็นต้นเหรอเนี่ย จะเป็นศารณาของสัตว์ทั้งหลายแล้วเจ้นั้นที่เรามาพุทธทางศาสนัฆ่ามีธรรมังศาสนาฆ่ามีสังฆังศาสนาฆ่ามีเป้าหมายของเราก็คือเพื่อต้องการจะถึงพระธรรมนั่นเองเพราะพระธรรมของพระเจ้านั้นเป็นวัตถุเป็นสัตยาวัตถุที่เป็นสภาวะที่ดับทุกข์เหมือนกันไหมที่ดับทุกข์ตรงนี้ก็คือว่าทานัชชาสยะอัธยาไสในทานมีเรียงตรวจสอบ สีรัชชายะอัธยาศัยในศีลมีอย่างในข ม, มัชชายะอุญฐาภูอัธยาศัยในเนคข ม, มัชยถาภูตยานทัทชชายะอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้มีอย่างเริ่มความจริงเริ่มปรากฏมากขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนมันมีมา่านมีฝ้าบางังตาคือปัญญาอยู่ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆเปิดออกเปิดออกความจริงเริ่มปรากฏไหม พอความจริงปรากฏ อ, ออกมาความมืดหายไปไหมไม่ใช่ว่าเปิดความจริงออกมาถีทมิท้ามาแทนนี้ไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วตรงนี้ก็คือว่าวิริยัตชาชยาก็อัธยาศัยในวิรยิยะขันติจัชาชะยาก็อัธยาศัยในขันติตอนนี้เรามีขันติไหมขันติเนี่ยเป็นชื่อของกุศลหรืออกุศลฉะนั้นทนได้จะกัดฟัน ใช่โทสะไมเออใช่ใช่ใ ช, ชขันติไหมขันติต้องสงบนะแล้วก็เป็นไปกับกุศลนะสัตจัดชาสยะอธิยาศัยในสัจจานะอธิฐานชาสยะก็คือว่าอธิยาสัยในการตั้งจิตมั่นเมตตาชาสยะก็คืออธิยาสัยในเมตตาอุเปกขาอุเปกขัดชาสยะก็อธิยาศัยในความเป็นกลางเนาะทันั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือ ในรายละเอียดก็คือเคยแจกไปแล้วในรายละเอียดที่ตรงนี้ตรงนี้ตองการอยากจะชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาพระธรรมคาำำสอนของพระศาสดาเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องรีบเร่งเพียรพยายามก็คือว่าการการที่จะต้องเดินกุศลให้เกิดขึ้น คือมันอย่างนี้ว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านก็มองว่าทําไมเวลาเราเดินหรือเราเจริญกุศลเนี่ยพอเจริญไปเจริญมาเนี่ยรู้สึกเราจะมีตัวขวางอยู่คือความไม่ค่อยมั่นใจในขณะที่เราเจริญกุศลไปเนี่ยใช่ไหมพอหลังจากไม่ได้เหตุปัจจัยมาคอยกระตุ้นเตือนเบีเสร็จเนี่ยนั่นะเข้าความโอทูท้อถอยก็ตามใหม่แล้วนะัเข้าเราก็กลายเป็นคนเดิมๆใช่ไหม อ่อนอแอเราคิดว่าในวันนี้หรือในครั้งนี้มาเจริญกุศลนะ่ะคิดว่าเราจะไหลตกไปสู่ภาวะจิตอย่างเดิมอีกไหมคือความไม่แข็งแรงทางด้านของความคิดคิดว่าจะมีไหมความประมาทความประมาทคิดว่ายังจะมีไหมสภาพของความความหลงอะ่ะ เออถ้ามาไม่ควรอย่างนี้ว่าสิ่งที่ทำลายในการเจริญกุศลตอนนี้นะหนึ่งความความไม่มีความพยายามอะไรเป็นตัวทำลายความเพียรรู้ไหมอะไรทำลายความเพียรเอาอะไรทำลายความเพียรของเราความไม่ควรในการงานแห่งเจแห่ง แห่งสภาพของของเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันที่ไม่เพียนก็เพราะว่าอะไรมันมีตัวทำลายความเพียนอยู่เนาะความไม่มีความพยายามอะไรคือทำลายความเพียนทีนะาเนี่ยเขาทำลายวิริยะไอตัวมิทธาก็คอยปิดทวารกับปิดวิญญาณปิดทวารก็แปลปิดอะไร จากขุทวนันโซตัทวันคานาทวา น, าวานชิวหาทาวานันกายัทวารมโนทาวานแล้วก็ปิดไม่ให้วิถีจิตเกิดขึ้นนะ่ยไอตัววิริยะก็ทําลายความเพียรพอจะเพียรในการเจริญกุศลทีน่าก็ธรรมชาติที่หดหู่ก็มาทําลายความเพียรเนาทําลายเอาตาก็เริ่มปิดใช่ไหมจิตก็เริ่มหดหูเนี่ยนะสภาพก็ท้อถอยจาก อารมณ์ที่เป็นกุศลไหมท้อถอยไหมท้อถอยเลยก็คือว่าผลปรากฏก็คือว่าง่วงนอนตาปลืออันนี้แปลว่ากุศลเดินไหมเนี่ยง่วงนอนตาปลือก็เกิดขึ้นมาจากอะไรเอา้าไม่เหตุใกล้ของเขาคือไม่มีโยนิโสอันนี้ประทัดฐานของเขาคืออาโยนิโสมนัสิการนั่นแหละ การใส่ใจโดยไม่ถี่ท้วนไม่พิจารณาด้วยปัญญาในความไม่ยินดีความเบื่อหน่ายในกุศลความดีการบิดกายการอาการที่เหยียดกายทั้งหลายเหล่านี้โหทูหมดเลยฉะนั้นถ้าเรามองนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าไอตัวประทัดฐานของถีนะกมิธาเนี่ยคืออายโนิโสการใส่ใจโดยไม่ถี่ท่วนไม่พิจารณาด้วยปัญญาความไม่ยินดีความเบื่อหน่ายในกุศลความดีเนี่ย สองตัวไอ้เหตุใกล้ถ้าเราลองลองตั้งตั้งวิธีคิดไม่ฉลาดทีไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนต้องอาศัยความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไหมถึงจะกําจัดถีน้ำมิธาได้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลยว่าตัวนี้จะมาทําลายทานกุศลมาทําลายศีลกุศลมาทําลายภาวนากุศลแล้วก็ให้บาปมาเกิดแทรกแทนเนี่ย เราไม่สุขขุมไม่รอบคอบตรงเนี้ยเราก็ปล่อยให้บาปมันเกิดฆ่าตัวเองไหมเนี่ยฆ่าตัวเองแท้ๆทาทําไมอาทําทําไมท่านก็พูดไปท่านไม่รู้หรอกว่าถีนามิทานเนี่ยเขามีกําลังขนาดไหนเราคิดอย่างนี้รึเปล่าที่จริงถามว่าเหตุผลที่เขาสามารถครอบงําได้แปลว่าเขาเคยคลองจิตใจนี่มานานเลย เนี่ยสภาพใจที่เป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสภาพใจที่ไม่พิจารณาด้วยปัญญาเนาะตรงนี้ก็ตรงนี้แหละคือจิตใจที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้พูดพูดตัวกรรมาคุณตัวเดียวเนี่ยพูดเออพูดเรื่องในเรื่องของนิวรณ์ดนกรรมฉันทะเป็นนิวรณ์ไหมพยาบาทก็เป็นทีนมิทะก็เป็นวิจิกิจฉาเป็นไหม ที่นั่งอยู่นี้ใครมีวิจิกิจฉาที่ยังถูยังยังยังแรงกล้าอยู่แรงกล้าไหมความสงสัยเคยพิจิเคยบอกไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแก้ไขแล้วถ้าโลภะเป็นธรรมชาติที่อะไรนั่งอยู่นี้มีความโลภไหยลักษณะของความโลภเป็นยังไง ต้องการในลมไหมยึดเหนี่ยงเหนียวแน่นไหมยึดเหนียวแน่นเนอะติดนั่นในลมเหมือนกับชิ้นเนื้อนั่แหละไม่สามารถทิ้งกับลมได้อะไรเป็นประทฐานของโลภะทิฏฐิไปเห็นว่างามไปเห็นว่าดีถูกทิฏฐิสังโยชน์เนี่ยคล้องกันไว้อันนี้ทำให้จิตหนักหมดเลยใช่ไหมทำให้จิตหนักหมดเลยตรงนี้ก็ดูสภาวธรรมตรงนี้แล้วจะได้เข้าใจสภาวคาสอนมากยิ่งขึ้น ตรงนี้ก็คือว่าอยากจะให้เรานั้ น, นทำความเข้าใจในคำสอนให้ชัดขึ้นว่าการที่เราจะเดินกุศลและทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้ น, นเราจะต้องเจออุปสรรคอีกเยอะด้านกามชนทะพวกพยาบาททีนมิธาอุทจักรและก็วิจิกิชาอาวิชชาทั้งหลายอันนี้แปลว่าถ้ากุศลและจิตไม่แข็งแรงเนี่ยนะคืออย่างนี้ คนที่เขาฉลาดนี่นะถามว่าเวลาเราจะฟังทำเราจะฟังด้วยจิตดวงไหนจิตประเภทไหนกุศลอย่ไหมทีนี้กุศลก็มีประเภททั้งโสมานัตและเวขามีทั้งญานแลสมัยยศและเวียุศใช่ไหมเราสามารถที่จะพัฒนาให้จิตเก่งการฟังให้เกิดสมานัตได้ไหมเราสามารถจะทําได้จะทําให้จิตหดหู่เกิดขึ้นในการฟังก็ได้ เพราะสภาว่ามเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใส่ใจ mm. เกิดจากการมนาสิการ mm. เกิดจากการไข้ควรและวิจัยและพิจารณา mm. นั้นเราจะทำจิตให้โหดหู่ทอ้อถอยงดหงิดฟุ้งซ่านก็ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นผู้ให้ข้อมูลเขาทั้งนั้นเราจะฝึกตนเองนั้นให้เดินจิตประเภทที่ดูประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้หมดเลยนั้นคนที่เขาฉลาดเนี่ย เขาเลือกเฟ้นกุศลได้เขาถึงบอกว่าทานกุศลก็คือมหากุศลแปดประเภทนั่นแหละดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นแหละศีษกุศลก็แปดดวนงนั่นแหละภาวนากุศลก็แปดนั่นแหละการอ่อนน้อมถ่อมตนการประพฤติประโยชน์ใช่ไหมการให้ส่วนบุญแล้วก็การที่ว่าอนุโมทนาส่วนบุญ การฟังทำการแสดงทำและการทําความเห็นให้ตรงสรุปแล้วการทางการทําความเห็นให้ตรงจะมาเกื้อกูลกุศลได้ทุกข้อมันถึงเลือกเฟ้นได้ไงแล้วตอนนี้เราสามารถจัดแจงกุศลประเภทนี้ได้ตามความต้องการตามความปรารถนาหรือยังนี้ตั้งหากที่จะเป็นปัจจัยที่จะคู่ควรต่อการที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ชัดเจนหรือไม่ถ้าเราเลือกไม่ได้ มีปัญหาไหมมีปัญหาเนอะเช่นเราจะเดินกุศลเราไม่สามารถทำโสมนัสให้เกิดได้แปลว่าเราสร้างเหตุผิดเท่านะจะทำได้ยังไงเด็กก็เด็กใช่ไหเราคิดอย่างนี้ป่ะก็ดูเรื่องที่ฟังที่มันหน้ามันหน้าโสมนัสไหมใช่ไหมคิดอย่างนี้ป่ะอันนี้แปลว่าเราเดินไม่เป็น นันการเดินกุศลเนี่ยก็ต้องต้องสามารถเฟ้นได้แต่ไม่ใช่เห็นอะไรก็ขำทุกเรื่องอยเลยนี่อันนี้แปลว่ามีปมัญหาหมมีปัญหาแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่นั่งขำอยู่เนี่ยนี่นี่มีมปัญหาก็ด้านจิตใจแล้วอันนี้ก็แปลว่าต้องต้องคิดหมาแต่ถ้าทางทางโลกเด็ยเขาจะชอบให้คนขำกันเนี่ใช่ไหม เขาไม่รู้ออกเป็นโลภะเป็นบาปเขาไม่รู้ก็แยกไม่ออกไงพอแยกไม่ออกก็ เ, เลยแยกระหว่างกุศลที่เป็นสมมณะกับโลภะที่เป็นสมณะเนี่ยก็แยกไม่ออกเขาก็เลยนึกว่าเออนี่ยังไงการที่ดูละครสนุกสนานฟังเพลงไพโลสนุกสนานใช่ไหมมีการละเล่นมีการดูภาพยนตร์แรงต่างที่เป็นไปในด้านของตลกโปก้าหมด เพราะว่าทำให้คนล่าเริงเป็นบุญยังไงเนี่ยลักษณะนี้ก็เลยไปเข้าใจผิดไปแท้ไอ้บอถ้ามองถึงสภาพของของโลภนะนาะถ้ามองนี้ว่าถ้าโลภะโส ม, มนัสเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วยินดีพอใจด้วยแล้วก็มีความสุขด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็คือมีการยึดอย่างแน่นยึดแน่นว่ารูปะสีสีนี้เป็นของเราเสียงนี้เป็นของเรากลิ่นนี้เป็นของเรารสนี้เป็นของเราผลทพะที่กระทบเย็นร้อนนี้เป็นของเราแล้วก็ธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจที่ทําให้เราได้ความสุขความเพลิดเพลินในกระแสจใจอันนี้เป็นของเรา เช่นวิตามินที่เรากินเข้าไปนี้มันดีสำหรับเราแล้วก็ยึดติดอย่างนี้นะแล้วมันก็ติดอย่างแน่นด้วยกิจของโลพาเนี่ยนะเขจะติดอย่างแน่นด้วยเหมือนกับโยนชิ้นเนื้อดิบๆเนี่ยลงไปในกระทะที่ร้อนๆหรือกระเบื้องที่ร้อนๆแกะออกยากนี่เป็นธรรมชาติที่ยึดติดอาการปรากฏก็คือไม่สามารถจะทิ้งอารมณ์ไปได้ ออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้มันยึดติดอยู Salem, sia, plants, also, eh habitat, ่นั่นแหละกอดแน่นอยู่นั่นแหละเหมือนเหมือนอะไรเหมือนขาเมลวน้ํามันที่ติดผ้าหรือเหมือนกับสีที่ย้อมผ้านั่นแหละเหตุใกล้ของเขาก็คือว่าทิฏฐิความเห็นว่ามันงามไงมันดีไงในธรรมมันเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือมันเข้าไปผูกแล้วเห็นไหมธรรมชาติของของโลภะเนี่ยมันยึดติด แล้วมันไม่เป็นอิสระจากกิเลสแต่ถ้าธรรมชาติของกุศลตรงกันข้ามแล้วถ้าธรรมชาติของกุศลเนี่ยจะเป็นไปด้วยความผ่องใสเช่นถ้าเราดูตัวศรัทธาเนี่ยจะเห็นชัดจะเห็นชัดก็คือว่ามีความเชื่อถ้าหากว่าเดินทางในกุศลเชื่อแหละ เชื่อในทานกุศลเป็นต้นเลยเพราะเป็นกุศลกรรมใช่ไหมเจตนาที่เป็นทานนั้นเป็นกรรมไหมเป็นกุศลเจตนากรรมเป็นพีชานิธานากิจเป็นตัวพ่อมเมล็ดพันธุ์ไมเป็นตัวพ่อมเมล็ดพันธุ์ด้วยฉะนั้นทานกุศลเนี่ยสังเกตดูว่าสละแล้วไม่ติดไม่ยึดเพราะรู้เหตุผลแล้วใจก็ไม่ผูกใจไม่ผูกแน่นเลยแต่ใจกับ คิดแล้วทําให้ศรัทธาขแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีปัญญานำได้ในตัวศรัทธาเนี่ยนะ <S <S เขาเรีกศรัทธาต่อสัตยยวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อไอตรงนี้คําว่าสัตยยาปัตสัตยยาวัตถุเนี่ยอะไรคือสัตยยวัตถุพระพุทธเจ้านี่เป็นสัตยยวัตถุได้ไหมเป็นวัตถุที่ควรเชื่อมั่น พระธรรมเป็นสัตทยะวัตถุได้ไหมเป็นวัตถุที่ควรเชื่อมั่นพระสงฆ์แล้วศีลสมาธิปัญญากุศลกรรมอกุศลกรรมเห็นไหมเป็นอกุศลกรรมก็เชื่อมั่นว่าให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าสัตทยะวัตถุสิ่งที่ทำให้มีความเชื่อมั่นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะ ถามดูตรงไหนถ้าดูว่ากุศลเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยดูตรงที่ความเด็ดเดี่ยวถ้ามหากุศลที่เป็นสมานัตด้วยดวงแรกด้วยเนี่ยเชื่อว่าจะมีความเด็ดเดีย่ยวไหมเดียวเดียวในทานนะกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลมากๆเลยทํำไมเด็ดเดี่ยวเพราะเขาผ่องใสเหมือนแก้วมณีอะตอนนี้เวลาฟังธรรมนี่เป็นกุศลกรรมเรื่อกุศลกรรม เชื่อไหมว่าการปังทำเป็นกุศลกรรมแล้วพระธรรมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อไหมถ้าไม่เคารพในพระธรรมในชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมแล้วทําไมถึงยังง่วงอยู่ทําไมใจไม่ผ่องเนาะแปลว่าโสมนัสที่เป็นมหากุศลไม่เกิดถ้าโสมนัสที่เป็นมหากุศลเกิดในปันนี้ผ่องใสทั้งนั้นแล้วเพราะเราเชื่อกุศลกรรมเชื่อโสมนัสนี่ไง ทั้งทัศสภาพของปัญญาเนี่เข้าไปรู้ความจริงด้วยรู้ขนาดไหนทานกุศลเนี่เป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ด้วยไมยเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นเครื่องที่ชาวพุทธควรจะดำเนินด้วยใช่ั้ยถ้าเราไม่เข้าใจทานกุศลจกบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้หรือไม่ได้ได้ั้มได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เพราะอะไรทำที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นคืออโลภะและทำที่เป็นทานกุศลอุอปธรรมไม่เกิดขึ้นคือมรรตต์สามผลเบื้องต่ำสามเหรนั้นการบรรลุโสดาปาาาิมรรคสกธาคารมรรคนาคารมรรคบรรลุโสดาปาิผลสกธ า, าคายผลนาคาริผลต้องต้องอะไรต้องอาศัยทานกุศลนั้นเกื้อหนุน ถ้าไม่เข้าใจวัตถุทานจะเข้าใจเจตนาทานไหมถ้าไม่เข้าใจเจตนาทานจะเข้าใจอโลภพทานไหมถ้าไม่เข้าใจอโลภพทานจะเข้าใจวิรติทานไหมไม่เข้าใจก็ไม่มีอภัยทานเพราะไม่มีอภัยทานก็ไม่มีมหาทานก็คือไม่มีศีลฉะนั้นคนไม่เข้าใจทานจักบรรลุคุณธรรมระดับสูงเป็นไปได้หรือไม่ได้เพราะที่สุดของทานอยู่ตรงไหน ตอได้ไหมทานี้ต้องเป็นปริจาคะใช่ไหมต้องบริจาคใช่ไหมต้องบริจาคต้องสละสละทั้งหมดไหมสละวัตถุภายนอกได้ไหมสละวัตถุภายในได้ไหมคนต้องการจักบรรลุเนี่ยยังต้องการสละตาหูจมูกเล้นกายใจทิ้งด้วยมเห็นไหมต้องเข้าใจขนาดนั้น ฉะนั้นคนถ้าไม่เข้าใจคำว่าปริจจาคาววดสักะก็คือไม่เข้าใจทานนั่นเองเป้าหมายของทานก็คือการสละทิ้งไหมทิ้งไม่ทิ้งแต่ตอนนี้ทิ้งแบบมีผลรองรับใช่ไหมทิ้งแบบมีผลรองรับเพราะยังไม่กล้าทิ้งแบบชนิดที่ไม่ต้องการผลรองรับเท่าไหร่ใช่ไมแต่ไม่ใช่ต้องการได้โลภะ เราต้องการผลมาเป็นฐานแห่งการที่จะเดินใช่ไหมเราต้องการระดมทานในกุศลระดมศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่งปริจารคาวศคะวศคะสละกิเลสและก็ขันห้าทิ้งไปสละกิเลสและขันห้าทิ้งไปน เขาใช่ยังกิเลสต้องสละไหมราคาโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจิฉาหิริกาตุตถะสลัดทิ้งไปแล้วก็รู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกเล้นกายใจต้องสลัดทิ้งในที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นยอดของมหาฐานเราท่านทั้งหลายตอนนี้เราไม่กล้าสละอะไรเลยเนอะเราไม่กล้าสละอะไรเลย จริงๆแล้ววันนี้ถ้าจะให้สละระดับตาหูจมูกลิ้นกายใจถวายเป็นพุทธบูชาเรายังก้ามก้ามเกลื่งเกล่งเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีการบริจาคเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงๆแล้วก็สวดมนต์กันนี่แหละหมอบกายถวายชีวิตแปลว่าอะไรข้าพเจ้าขอบบริจาค ก, กายและชีวิตเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชา บริจาค ก, กายและชีวิตนีนถวายเป็นธรรมบูชาเบอร์จาค ก, กายและชีวิตถวายเป็นสังฆบูชาแปลว่าเป็นทานไหมเนี่ยเป็นยอดของทานแล้วเป็นบุญไหมทําไมเนี่ยเราจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นอุเบกขาหรือสมนะก็ต้องปัญญาเนี่ยแหละถึงจะไปแทงตลอดลักษณะคือตรงนี้ก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าสภาวะธรรมที่จะเข้าไปรู้ลักษณะของ ของสภาวธรรมต่างๆแบบนี้น